บุ๊กทูหกสิบหกซสอนซสตรสรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ 1. 1> ่งประศึละก็พรุนิมมยนดิฉันของดิฉันอไม่ ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบแอคไครนี้ไม่สเลตลุนีดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบแอคไครนี้ไม่กอร์กิคุณของคุณยัยเยวคุณหากุญแจของคุณเจอไหม เอตยัยเยาสเ e ียตุลเกไกรคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมเอตย j ยเยาคาร์กี้เกไ k รเขาของเขาไอใส o คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนเวตยัยวอรใสสเลี e ตุลเอส คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนเธอของเธอเงินของเธอหายฮลตบบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย อิน r อรเครดิ a การ์ด o ็ว่างเราของเรา o n s o n s คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย o n s opa is sick คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี o n s oma Is gezond คุณหนูของหนูใหญ่ยายนเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนค i นเดอร์วอร์อสเยลปอเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนคินเอ